ต้องดีรอหลังพวกเรอทำงานทำการสองตาก็เปลี่ยนพยายามที่จะทู่สู่ฟังไม่เบื่อไดในกา ร, รแสดงธรรมราะมันเป็นความจุดยอดของการศึกษาเป็นการเรียนรัดผู้ฟังก็อย่าเบื่อได้อย่าเบื่อใดต่อคำสอนที่เกียตาำ เห็นแจาการหลับเจรนอนความสะดวกสบายไม่ประกอบการปาระามเพลียนเพลิดเพิินถ้าเยือทยานในโลกเกินไปมีความกังวลป ฏ, ฏิโพศมันก็เป็นชีวิตที่ไม่เจริญถ้ามาศึกษากันเถอะมาเคลื่อนย้ายขนส่งตัวเรามีสติมีความรู้เล็กได้ มีความลู่ตัวทมทั้งหลายนีย่สตินี่เหมือนลอยเท่าของช้างลอยเท่าของสัตว์อื่นมารวมลงที่ลอยเท่าช้างได้หมดทุกรอยทมทั้งหลายก็เหมือนกันออกจากที่ได้คือสติอย่างที่พูดให้ฟังเมื่อวานนี้ว่าผ่านอย่าอยู่มันหลงก็รู้ผ่านไปแล้ว มันไม่รู้ก็รู้ผ่านไปแล้วถ้าไม่รู้ไม่ชี้อะไรอยู่เฉยๆก็ไม่มีวิธีไม่มีการแสดงเอาเหมือนก้อนหินก้อนดินชีวิตเราต้องไปถ้าเราไม่ไปมันก็จะไปอีกทางหนึ่งงั้นไปอยู่แล้วชีวิตเราเดี๋ยวนี้นั่งอยู่ตรงนี้มันไหลไปอยู่ไหลไปเลยไหลไปที่ไหนไหลไปสู่ความแก่ความเก็บความตาย ไปสู่ความพัดภาคจากของเราของจบใจมันไปทางนั้นเราจึงต้องมาขวนกระเสอเหมือนพระพุทธเจ้าเสี่ยงถาดเวลาฉันเข้านางสุจดาสมัยเป็นโพธิสัตว์พราก็ว่าถาดไหลถวนกระเสน้ำไม่ใช่ถาดถ้าเป็นปุกราธิฐานก็เป็นถาดจริง ถ้าเป็นธรรมาทิฐานก็เป็นกิจใจของเราคือสตินี่มันทวนไปทวนโลกมันหลง ก, ก็รู้ทวนไปแล้วมันสุขมันทุกข์ก็รู้ทวนไปแล้วมันมีอะไรต้องทวนอยู่ทุกเวลาชีวิตเราเพราะนั้นตัวรู้ตัวนี้เป็นการไปเหมือนขนส่งพระเจ้าทรงสังสอนสาวกตั้งแต่ปฐมวัตโพธการจนถึงปฐมวัตรโพธการ ่อนบริพารก็บอกพาคสุดท้ายเป็นพระวจนะพระสอนอันมีในขั้งสุดท้ายของพัฒถาคตเจ้าว่าเธอทั้งหลายอย่าได้ประมาทคือมีสติเนี่ยมีความรู้สึกตัวมาเห็นมารู้รู้กายเคลื่อนไหวไปมาประกอบมันเคล่นว่าถ้าไม่ประกอบมันไม่มีมันจะมีตัวหลงมาก กลัวเราจึงประกอบเห็นกายเห็นสิ่งที่มันมีอย่าไปหาสิ่งที่มันไม่มีไม่ใช่หามันเห็นทันทีเห็นกายที่มันเพื่อนมันไหวเห็นอันเดียวอยู่ตลอดต่อหน้าต่อตามันก็เห็นอันอื่นอีกเยอะแยะนอกจากกายแล้วก็มีเวทนามีจิตมีธรรมแล้วก็ผ่านตัวนี้เรื่อย ผ่านเล้าผ่านเล่าเหมือนกับเราเดินทางจนานาในเช่นทางเจ้าของทางเหมือนบ้า น, านอยู่หลังเขาเดอดไรถโดยสารบนหลังเขาขึ้นเขาลงเขาเป็นทางของเขาไม่มีอุบัติเหตุเหตนใดๆเพราะเป็นทางของเขาเขาชํานาญในการขึ้นเงินลงแต่ถ้าคนที่อื่นไม่ขึ้นมักจะพลาดได้แล้วก็อุบัติเหตุ หลายครั้งหลายคราวเพราะเขาไม่เคยเคยนั่งตํารถของคนที่ไม่เคยขึ้นเขาเขาก็จังหวะไม่ถูกตอนที่ขึ้นเขาทีแรกพอขึ้นมาแล้วมันมีเรียบนิดหน่อยเขาก็ปล่อยเกียร์เบาพอดีมันขึ้นอีกพอมันขึ้นอีกเขาไปลงจิกเตียหนักอพกแลก็ดับถ้ารถมันดับเครื่องมันดับมันขึ้นสั้น เวลามันเนินบนทางเสมอมัไม่ยาวเขาเพลินไปเขาไปขึ้นก็นเรียนหนักตอนขึ้นใกล้ๆก็เลยลดหนักก็ไปไปได้แล้วก็ดับเพรมันดับเพราะถ้ามันหนักมันถอยหลังเอามาอยู่เรานี่ก็เหมือนกับ น, นักเดินทางในชีวิตของเราจนเห็นเมื่อเห็นแล้วว่าทำเป็นใช้ชีวิตเป็นเห็นลูกเห็นนามเห็นกายที่แรกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิต เห็นนามเห็นธรรมต่อไปต่อไปเราก็กายกันเวทนาอันจิตอันธรรมนี่มันเป็นอันเดียวคือรูปธรรมนามธรรมเป็นรูปเป็นนามทั้งสีอย่างเนี่ยเป็นรูปเป็นนามมันย่อเรามาให้เราสะดวกเห็นเป็นรูปประธรรมเห็นเป็นนามมาธรรมมันก็แตกแขนตรงนี้รูปมันบอกนามมันบอกไม่ใช่คิดเห็นนะมันพบเห็นเขาโอ้อดเกนไวอยู่นีเป็นรูป ที่มันรู้จักเคลื่อนไหวนี่มันเป็นนามมันเป็นคาดรู้มันเคลื่อนไหวเป็นเป็นหลักฐานที่มันตั้งต้นตรงนี้เหมือนกันหมดทุกคนตัวรูปนามพอเห็นรูปเห็นนามก็เห็นรูปทานามทำที่รูปมันทำนามมันทารูปทำเห็นนามมันทำทำอะไรทวาสลามทำทั่วทวาสลามทำดีรูปทำอีกอันหนึ่งคือธรรมชาติ ปรกอบกันหลายอย่างมันมีอาการมีวัตถุปัจจัยหลายอย่างประกอบกันแล้วมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดอะไรต่างๆได้ถ้าทำตัวทงตัวโลสองตัวมอมา่ามันทํามันเป็นรูปธรรมทำตัวนี้จําแนกไปมันเกิดขึ้นระหว่างมีรูปมีนามมันก็เป็นรูปธรรมนามธรรมนามธรรมที่เป็นธรรมชาติ มีร้อนมีหนาวมีหิวมีปวดมีเมื่อยก็เลยเห็นลักษณะนี้ไม่ใช่เวทนาแต่ก่อนเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์พอมาเห็นเขา้าเห็นมันเป็นอาการว่าไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่หิวไม่ใช่ร้อนไม่ใช่หนาวไม่ใช่ปวดมันเป็นอาการของรูปธรรมเป็นอาการของนามธรรมไม่ใช่โกรธไม่ใช่ รูปไม่ใช่หลงไม่ใช่กิเลสตัณหาเป็นอาการของนามมาธรรมเป็นทอทงรอเรือสองตัวมออกมาอันถ้าเป็นธรรมแต่ก่อนเราก็ไปยึดมีอุปาทานยึดเอาตอนที่เราสวดว่าเราย่ออุปาทานขันทั้งหอันรูปธรรมที่นัน่นไม่เป็นขันถ้าเราไปยึดก็เกิดเกิดดับเกิดดับขันนั้นนะขันที่เป็นนามมาธรรมมันเกิดบนรูปธรรมเหมือ น, นกับ ภูเขาลูกนี้มันเกิดมีภูอีกหลายลูกอยู่บนเขาลูกนี้มันขี่อยู่มันขี่อยู่บนภูเขาภูโคภูชีภูหยวกภูกระแตะภูสามชั้นภูหลงอะไรเยอะแยะไปเลยแล้วก็มีภูหลงเป็นวัดหนึ่งของพวกเรามันยืนอยู่หลังเขาลูกนี้สูงขึ้นไปหน่อยนึ่งอันที่มันขี่อยู่บนรูปธรรม อยู่บนนามธรรมเนี่ยมันมีรูปอีกกันไหมรูปอันนั้นอ่ะมันสร้างกัะถางถ้าเราไม่เห็นมันถ้าเราเป็นสุขถ้าเราเป็นทุกข์ได้เห็นเป็นสุขเป็นทุกข์แต่พราว่าเห็นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมันเป็นอาการไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์แต่ก่อนเรามาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นชิเลสตันหาลักขะถือว่าเราเพราะอะไรเราจึงถือเพราะไม่เห็นแต่ก่อนไม่เห็น เอามาเป็นตัวตนหมดทุกๆอย่างในรูปธรรมในนามธรรมในรูปธรรมในนามธรรมที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นแจ้งเข้าไปว่าอันรูปธรรมนามธรรมนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ขังอนจังหวะตาเอา้าพอเห็นตรงนี้แล้วอะไรก็ง่ายแล้ววไาอะไรก็ง่ายแต่ก็หนักพราว่าเห็นแจ้งแล้วมันโบกมันเป็นที่ทิ้งที่วาง ไตลักเนี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่ใช่เราสวดแต่ปากเรามาเห็นแล้วโอเจ้าเห็นแล้วยังสวดออกมาเป็นวาจาลูกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงลูกไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนมันเป็นการเห็นไม่ใช่เป็นการสวด เป็นการสาธยายจะไม่ก่อนไม่มีการสวดมนต์อาจจะไม่มีการสวดมนต์ไหวพระก็พระสงฆ์ก็ น, นัดกันอเองพระเจ้าก็นัดป้ายเถอะพิกสุทั้งหลายเราจะพาไปหรื อ, อพิกษุทั้งหลายเดินเข้าป่าก็พระเจ้าก็จับใบไม้ขึ้นมากับมือเดียวเอาชู้ใบไม้ให้พิกษุดูว่าดูก่อนพิกสุใบ ไ, ไม้ในป่ากับใบไม้กับมือเดียว อันไหนมันมากกว่ากันพิสูจ์ทั้งหลายก็ตอบว่าใบไม้ในป่ามากกว่าใบไม้กิดมือของพระพุทธเจ้พาพระเจ้าก็บอกว่านี่การลู่อะไรามากมายแต่ว่าการกรัมมาทำน้อยน้อยคือมารู้สิ่งที่เรารู้ทั้งหลายเหมือนใบไม้ในป่าแต่เอามาลู้เป็นเรื่องเดียวคือภาวะความรู้สึกตัวมาเห็นเวทาก็เห็นสัญญาก็เห็นสังขารก็เห็นวิญญาณก็เห็น เวทนาคืออะไรความสุขความทุกข์สัญญาคืออะไรสัญญาคือจับไว้เอาไปจุ่มออกเหมือนเราย่อมผ้าเมื่อเราผ้าไปย่อมมาก็สีหลมันก็ติดในขันเนี่ยเราขยันย่อมตรงไหนแล้วก็ติดตรงนั้นเรียว่าสัญญาสังขารก็คือขยันขยันย้อมอยูเรื่อยๆขยันโกดขยันหลงขยันสุขขยันทุกขยันรักขยันชังมันก็ขยันเรียกว่าสังขารอยู่ไม่เป็น ชอบบงผงแต่งแต่งเรื่องนน่นเรื่องนี้วนเวียนเวียนไหวใจเกิดเกิดดับกระดับวิญญาณก็ติดไปเมื่อย่อมเราก็ติดให้กายๆเป็นวิญญาณวิญญาณแบบไหนถ้าไปย่อมเอาอากุศลเราทํามันก็เป็นภพต่ําเป็นอบายที่ผุไปเปรตสลดกายชะนรกหรือฌานได้อันมันติดโดยเฉพาะส่วนมากอุปทานตัวนี้มันติดเพราะไม่เห็นเข้าเพรอไม่เรียกว่า เบตนาสัญญาสังขญญารอย่างนั้นเป็นอาการของกายของใจของโูกของนามมันก็ง่ายเราไม่เห็นแล้วโอ้มันตกอยู่ในตจลักษมันลักษณะแลังมาลักษณะนี้เหมือนกับถังขยะอันใหญ่เป็นที่ทิ้งที่วางโลกทั้งหลายอันที่มันมีรสชาติชีวิตของเราเนี่ยมันมีรสชาติรสอะไ ร, ค, ร, รความหลงความมีรสความรู้ก็มีรสความสุขความทุกข์ความรักความชัง อะไรต่างๆเยอะๆามีรถแล้วก็พอทิ้งมันก็ไม่มีรถมันก็วางลงวางนี่ไม่ใช่วางเหมือนอาจับของจับจริงจับของมันเป็นการวางง่ายๆวางคือภาวะที่เห็นเหยียที่เห็นที่รู้เนี่ยคือวางอะไรที่มันจะวางยากก็อาศัยแต่หลักเอ้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแต่าวางก็เอาก็เบาถ้าเอาก็หนักการวางคืออะไรหลุดหลุดจากอะไรหลุดจากความหลง จากความทุกข์ความสุขความรักความจากหลุดออกมาก็เบาไปเรียกว่ากายลาหุตาเบก า, าบกายจิตลาหุตาเบาจิตก็เกิดเบาขึ้นมาสนุกสนุกกับการใช่ธรรมะใช่บทเรียนใช่ประสบการณ์จากการกระทําที่เรามีการพกเห็นสอนตัวเราหลุดไปนี่แต่ลกเป็นที่ทิ้งที่วางรูปนามเนี่ยเอามารวมลงที่แต่ลก เฉลยไปเลยสนุกเว้ยสนุกเฉลยไปเริ่ไปเห็นทุกรูปทุกนามทุกทุกของรูปมีเยอะแยะนับไม่ทั่วอ่าไม่เห็นทุกตรงไหนเอาทุกที่มันเป็นทุกขังกานิจังอนัตตามีไม่ใช่เราไม่มีการหายใจเข้าหายใจออกเป็นทุกขังไม่หายใจไม่ได้หรือไม่ได้ต้องหายใจเข้าหายใจออกจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องถ่าย นักถ่ายเบาต้องคืินด้าลายต้องพิบตาต้องยืนเดินนั่งนอนอันทุกขังอยู่ไม่เป็ดอยู่นิ่งไปได้มันไหลไปอา น, นิจจังก็ซ่อนเอาไว้อันทุกข์ขังนี่ก็ไม่ใช่ทุกมันเป็นอานิจจังอยู่ไม่พี่เป็นทุกแม้แต่ความโกรธก็เป็นอา น, นิจจังไม่เที่ยงความรักก็เป็นอา น, นิจจังความหลงก็เป็นอา น, นิจจังแต่เราก็ไม่ใช่ตัวนี้ ก็เอายืดเอาทำตามมันก็เสียเปรียบกันเอาของไม่จริงม่าเป็นของจริงเอาของไม่ใช่ตัวตน ว, ว, ว่าเป็นของตัวตนก็มาเห็นทุกข์แต่ก่อนสูบุหรี่างคั้งที่มันเป็นทุกข์แล้วลูปเนี่ยเอาบุหรี่มาให้มันสูบเอาเล้ามาให้มันกินเอาอะไรต่างๆมาให้รูปนี่วบาดีก็มีอะไรที่พระลุงพลังเขาเบียร์พาราฮาเวอันขันเป็นพาระหนักขึ้น ตั้แต่ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หนักแล้วก็เป็นคนเขี้ยวหมากกินมากก็ถือตะก้าหมากปากก็อยู่ไม่นิ่งเกี่ยวต้องถือกระถนต้องถูถงุงงน้ามากน้าหมากน้าลายม้วนไปน่าสมเพชแต่ามาร่รู้โอ้ยสงสารลูกไม่เคยมีใครช่วยเหลือลูกเราก็ไม่เคยช่วยเหลือลูกช่วยเหลื อ, ลลอนามให้ปล่อย ป, อยปลาเราเลยดูแลดูแลตัองไงเป็น อัาป น, นา ม, มาธรรมคือวิญญาณลูกก็ไปได้ทุกที่ทุกทางคิดอะไรก็ได้คิดได้แต่พิถีพิถึงควมชั่วของผิดความถูกอะไรต่างๆคิดได้คิดดีปล่อยพอมาเห็นโอยลูกทุกนามทุกก็ตื้นหลือล้นช่วยเหลือช่วยเหลือลูกช่วยเหลือนาําะโว้ยมันเป็นมรรคเป็นผลตอบสนองจากโจบุรีเอาหลุดไปเลยบุรีไม่ได้อดมาเห็นทุกหน อะไรที่มันเคยติดเพื่อนมามันมีเหมือนกันนะพลุงพรหลังอุปท า, านกลางวลนเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะเพราะชีิดผ่านมาถ้าเป็นจางหลวงตาเป็นชีวิตที่ขี้ทุกข์ขี้ยากเป็นลูกกัมพาพ่อตายจากเป็นคนขี้ทุกข์ขี้ยากที่สุดเหมือนกับจนถึงมีผ้าเขามาผืนเดียวเหมือนทักษิณวาจนพราตาจนเหมือนผ้าขามา้า แล้วก็ทําวันยิ่งใหญ่ฆ้าคนตายมาจนถึงสองสามปีแล้วถ้าเกิดที่เร่กทักสินว่าจนผ้าเขามาไม่มีอะไรหอกไม่น่ากลัวอัน <c oughs> นั้นอันจนจนแบบนั้นอันจนแบบจนจนแบบทุกเ น, นีจนผ้าเขาม้านะ่ะเอา้ามีผ้าเขาวมาเพี้ยนเดียวไปทำํำนาก็ห่มผ้าเขามาาอะไรก็ผ้าเขาวมา้าเลี้ยงควายก็ผ้าเขาวมาเปียกก็ต้องห่ม ถ่าขามากแค่ั้นอ้ไก็ต่อสู้ความยากคจนได้โอ้โอ้ยสงสารลูกสงสารจนน้าตาเสื่อมมาพ่อก็ไม่มีพ่อไม่บอกไว้สอนแม่ก็ไม่คอยบอกคอยสอนเพราะแม่ก็ไม่รู้โอ้ลองมาลูกเลยเนี่ยเขารูปทุกน้ำทุกการกอบกู้รูปตามที่ให้พ้นจากทุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ภูมิใจ เหมือนหลงตาถูกป่าปลูกต้นป้ายปลูกต้นง่ายมันดีมันตอบสนองตอบสนองอยังไงมันเหี่ยวเราน้ำไปล้นมันแล้วก็ชื้นเบิ่นขึ้นมามันตอบสนองโตขึ้นมาแล้วมันตอบสนองเหมือนกัดเรามีคอมพิวเตอร์ใดชีวิตเราต้นง่ายต้นใดที่เราปลูกไว้แล้วก็ไป เยี่ยมยา ม, ยามให้น้ำมันก็ตอบสนองการสอนตัวเองมันตอบสนองจากการมีทุกข์เอาหมดไปหมดไปจากการสูบบุหรี่เอาหมดไปแล้วพ้นไปแล้วอุหรี่นิพพานไปแล้วไม่มีในหัวใจความทุกข์ก็โคยนิพพานลงความขุ่กก็เบาลงความโลภก็เบาลงความหลงก็เบาลงที่เรตฐานเบาลงไม่แน่นหนา พาะ อ, อะไรก็เห็นไม่ให้ค่ามันมีเครื่องมือเยอะแยะเลยการปฏิบัติธรรมนะ เ, เห็นลูกทุกเห็นนามทุกช่วยช่วยได้จนพน้นออกชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปใจทุกเหมือนเดิมก็ไม่ไม่ได้แลแน่แต่ทุกก็มีบ้างและโกรธก็เหมือนเดิมไม่ได้ก็มีบ้างแต่ว่าไม่ร้อยเปรเซ็น เอ๋ป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานมันคือคุณธรรมไม่ใช่ไปที่ไหนเพราะไปจากเนี้ยไปจากตัวหลงไปสู่ตัวรู้ไปจากตัวทุกข์ไปสู่ตัวรู้ไปจากตัวโกรธไปสู่ตัวรู้ไปจากตัวรักตัวชังข้างบนไว้ตกสมองไปสู่ตัวรู้ภาวะที่รู้ให้มันเป็นคารานไปพ้นไปพ้นไปรือว่าวิบุตรหลุดไปหลุดไป เรามาปฏิบัติตรงนี้ไม่ใช่เรามาฆ่าคเดเมื่ อ, อไรจะเป็นเมื่ อ, อไรจะเป็นเรามาสร้างสติมานี่หลายวันแล้วไม่เห็นมีอะไรจะได้อะไรเนาะไม่ใช่อย่างนั้นนะมาเห็นตัวเองมันหลงรู้ไหมเออนี่แหละหลงกันทุกคนรู้ ก, กันทุกคนมันเห็นตัวหลงก็รู้ขึ้นมามันได้ทําตรงนี้แบบก๊ม ถ้ามันหลงเราลูบเป็นยังไงมันก็พ้นจากความหลงไะเคยชำนาญในการพ้นจากความหลงพ้นอยู่ทุกเวลาที่พ้นจากความทุกพ้นจากที่ทเหตุัณหาพ้นจากอะไรต่างๆที่เป็นรูปทุกนามทุกจิตใจก็เปลี่ยนไปรู้บุญบรู้่าตรู้ศาสนาบุญก็เคยใจที่มันดีกว่าเก่ามันรู้ตัวรู้ไปงูเนี่ยคือบุญหรอ แต่ก่นบางคูเอามาหอบฟังส so ุขก็เอาทุกข so, ์ก็เอาหลงก็เอาโกรธก็เอาเป็นกูไปทั้งหมดเรียกว่าไม่รู้พอไม่ลูกก็โกรธได้ทุกข์ได้หลงได้รักได้ชนะได้เต็นตัวเป็นพวกเป็นญาติพอเรามารู้หลงมันมันเป็นบุญบุญคือรู้รู้แล้วก็หลุดบุญมันอิ่มมันเต็มไม่บกพ่องไม่หิวคือมันรู้โอ้บุญคือราะว่ารู้ดีแล้วไม่ทำชั่ว ไม่ผูชั่วไม่ชิดชั่ ว, วถ้ามันจะมีความชั่วก็เปลี่ยนเป็นความไม่ชั่วเที่ยวบุญโอ้บุญาศาสนาคือเราคือคนเรามีศีลมีธรรมแล้วความชั่วทำความดีจิตใจบริสุทธิ์ไม่กังวนลใดๆรู้จักศากสานารู้จักพุทธศาสนาหายไปว่าขนจงตัวเองพ้นดอกจากหวกเขียวขี้โคลนขี้เลนถ้าจะเปรียบ ตรงนี้ก็เปรียบเหมือนว่า เ, เราจะหมายก่อนเป็นเด็กเหมือนเด็กน้อยเล่นขี้โคลนก็เห็นขี้โคลนเด็กก็โจนลงไปเรียกขี้โคลนผู้ใหญ่ก็เหมือนพ่อแม่เอาลูกขึ้นมาจากขี้โคลนเอามาล้างปีไกลนี่ต้นไวยที่ฝายน้าล้นทำมาฝายหวานทางที่เข้าบ้าน่ะแต่ก่อนไม่มีฝายไม่มีน้ํำตรง น, นั้นพอทําฝายน้ําล้นเห็นกันกูบรรยาว เหยียดก็เลยไปปลูกต้นไม้พอปลูกตนก้นไม้ก็มีบวกหนองที่มันบวกที่ต่อนแล้วว่าฉันเถ็นที่ตรงนั้นแต่ว่านไปเพลินเด็กนอา ก, ก็ไปรวมกันเพราะเด็กน่าเห็นบวกน้ําขังเป็นที้เคลนแล้วก็ลงไปลุยลุยแล้วไม่ใช่ลุยแต่ละก็นั่งหลงเกลี่ยลงไปนอนเหมือนควายไปเลยเพราะแม่ก็วิ่งวิ่ ง, งมาแรนกบจับเด็กมาอยู่มัน ที่คนมันเปียกแลยก็ปล่อยมันเล่นจนมองไม่เห็นจนผููเป็นคนเลยมันก็ว่ามันจะนกแต่พ่อแม่ก็เอาเข็นมาเอาเข็นมาก็มาอุ้มขึ้นรถพอใจเอาไปอาบน้ําอันตัวลูกเนี่ยไม่เห็นตัวหลงช่วยตัวหลงนะตัวหลงมันเป็นไรมันเพื่อนตัวทุกมันเพื่อนตัวโกรธมันเพื่อนอะไรต่างๆมันเพื่อนแต่แต่คิดเนี่ยโอ้ยเอามือลูบปกเลยใจคิดชั่วนะมันเพื่อน มันเพื่อนจิตไม่ใช่ไหวคิดแบบเ้าท้านด้านนะพอเห็นรูปเห็นนามนะเอามือมาลูบบอกเลยอ่าแค่นี้ก็คิดเลยไปแล้วเลยแค่นี้ก็โกรธเลยแค่นี้ก็หลงแล้วเลยอันว่าอย่างนี้นตัวรูปนะเมื่อมีตัวรูปมันไม่ใช่ตัวรูปธรรมดาเป็นญานเป็นปัญญาด้วยก็ช่วยช่วยตัวเองนะถ้าพ่นไปก็เออมันก็ไปเรื่อยๆมันเป็น สูตรเป็นสูตรไปการปฏิบัติทำแล้วอย่าชัไปหานะพยาหาไม่เห็นนะต้องทำให้มันมีขึ้นสูตรตัวนี้ไม่ใช่หาไม่ใช่คิดหาไม่ใช่ทําเอาเดินจงกรมหามาันเมื่อไรไจะเกิดเมื่อไรไจะเกิดเมื่อไรไมันจะรู้ไม่ใช่แบบนั้นมันก็รู้อยู่แล้วพอําลงไปก็รู้อยู่แล้วยกมือเคลื่อนไหวก็รู้อยู่แล้วอันเคลื่อนเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่จริงคือรูปใช่ไหม แต่ก่อนเราไปรูปวันลูกนี่มันทําอะไรของมันเป็นไหมทํำไมเป็นมันยกมือว่าอย่างนี้อะไรสั่งมันมันกํากับปั้นอย่างนี้อะไรสั่งมันไม่ใช่ลูกมันธรรมดามันมีน้ําไม่เหมือนต้นเสาตอนนี้เอาเสายกมือไหวแล้วมันเคลื่อนไม่เป็นไปนั่งนั่นดูจีไปเข้ารงหนังดูจีเล่นไพ่ไฮโลดูจีมันทํำไมเป็นอันเป็นรูกธรรมดา ต้นเอ็นก็อนหนแต่ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเหมือนกันอันเดียวกับต้นเสาต้นนี้ไม่เที่ยงแต่ก่อนเสาต้นนี้ก็อยู่กติข้างบนเบอร์แปดเรียกว่าหอไตรมีพระไตรปิฎกไปชื่อว่าไปไว้ที่นั่นแต่ก่อนอยู่คนเดียวก็ไปอ่านหนังสือพระไตรปิฎกก็ไม่มีใครไปใช่าพอดีก็เออญาติาลงมาแล้วหาังนี้ก็ญาติลงมาที่นี่ มาเป็นหอวใจทีนี้แต่ก่อนพวกก็หนุ่มอจัยดีเน่นหนะเดี๋ยวนี้ก็ทรุดโทมลงไปแล้วก็ซ่อมแซมต่อแตะ ก, กอพวงก็อจินเสาขาดขึ้นไปนั่งในงอนยนงอนยา น, น, ยานก็มดต่อมาทําใหม่อันนี้ก็ไม้เที่ยงของลูกมันมีน้ําอันชีวิตเราก็เหมือนกันนะมันก็นมีความไม่เที่ยงมันไม่ใช่มันก็ไหลไปของวันเดียว เรามาเห็นเนี่ยโอ้เป็นลูกเห็นน้ำเห็นอาการของลูกของน้ำเห็นลูกทุกน้ำทุกลูกโลกน้ำโลกมันก็เป็นแหล่งของโลกอันโลกกับลูกเนี่ยน้ำก็เป็นโลกโลกของลูกมีหลายอย่างการร้อนการหนาวการปวดการเมื่อยการหิวการกับปัถ่ายเป็นโลกของลูกความโกรธควาโลกของหลงความรักของจังจิเลสทนายเป็นโลกของน้ำโลกอันนี้โลกบางอย่างเราต้องช่วยตัวเรา โรคางอย่างต้องช่วยหมอก็ช่วหมออ้อต้องให้หมอมาช่วยอาศัยหมออาเนี่โลคโลกมีหลายโลกนะโลกโราน้ำโรคโรคทำน้ำทำเห็นเป็นสูตรเป็นสจทไปเอาไปก็เห็นเป็นปรมาัดระบาดไงปรมาณมัดคือของจริงจริงแบบไม่จริงมันทุกทั่วหนึ่งควาไม่เที่ยงก็จริงแบบว่าไม่เที่ยงมันก็จริงแบบว่าไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็จริงแบบว่ามเป็นทุกข์แต่มันไม่จริงแบบความเป็นทุกข์ ในความจริงมันมีความไม่จริงในความไม่จริงไม่มีความจริงเรียกว่าปามรมาิสมมุติบัญญัติขึ้นมาในโลกเต็มไปหมดเลยอะไรอะไรก็เป็นสมมติเต็มโลกเราก็หลงตรงนี้มอเห็นปมรมานสมมติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุอาการต่างๆเหมือนอาจารย์หลวงพ่อมหาปานบัดโจกป่าหลวงเวียงจันท์ ประเทศเราสอบเอาลมลงู่เทียนสมุตินะสีเชียงใหม่โยมเชงคานอยู่สีเชียงใหม่วัดลังสีมุกดหารอยู่นี้อาจารย์สั่งให้โยมเชงคานมาหาแต่ว่าทางระหว่างสีเชียงใหม่มาลังสีมันมีป่าก็ยิงเสือไปตรงนั้นแต่มันไม่ตายมันใสไข่ปลาก็กัดถ้าอาจารย์สั่งให้โยมเชงคานมาหาเนะี่ยจะมาไหม เราพ่อเตียงก็ตอบอย่างประมาทเลยต้องมาอาจารย์สั่งมาเอ้าถ้ามาเล่าเสือกัดเอ้าเสือมันยังไม่กัดผมไม่กลัวหรอือยังไม่กลัวไม่กลัวเอ้าถ้ามาเสือกัดผมจะไม่เห็นเสือผมจะกลัวยังไงถ้าเสือมาหาผมผมว่าจะฆ่าเสือได้เกลือเชี่ยไหมเกลือก็ไม่เชี่ยเพราะมันเป็นบัญญัติบัญญัติอย่างนี้อะไรมันเกิดขึ้นในตัวเราบัญญัติบ้าชอบบัญญัติบ้าไม่ชอบ บัญญัว you. ่ากลัวบัญหยัดว่ากล้าถ้ามันบัญญัติว่ากลัวก็ไม่อยากทำทุ่มดีขี้เขียดถ้ามันบัญญัติว่าไม่กลัวทําำก็ชั่วก็ได้จับตระวุฒฆ่าหัดทหารกันเด่ากันก็ได้ถ้ามันบัญญัติว่ามันดีความชั่วมันบัญญัติว่าดีความผิดบัญญัติว่าถูกความทุกข์บัญญัติว่าสุขมันก็ทําได้เช่นเราบัญญัติตัวโราความโกรธมันดีไหมปรมาภิมันไม่ถูก ความโกรธเป็นสมมติบัญญัต um, yes. ิพวไม่โกรธเป็นปรมัติตจัจระความโกรธดีไหมเราก็รู้ว่าไม่ดีแต่เราทําไมจึงโกรธเมื่อบัญญัติเราก็ไปตามมันญับัญญัติเอาทำไมเราโกรธทำไมเราทุกทํำไมเราลักเราชังอะไรต่างๆบัญญัติเอาบัญญัติเราเองต่างกันบางคนบัญญัติเอาความสุขอาจจะเป็นความทุกข์ของคนอื่นบางคนบัญญัติเอาความสุขความทุกข์ของคนอื่นอาจจะเป็น ความสุขของคนอื่นเช่นไม่กินเล่าไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่สุบุรีไม่ใช่ลูกผู้ชา ย, ไ, ไ, ชชายไปดุ่งผ้าถุงซะัางทีเขาบอกกันสายก่อนเคยเป็นไม่กินเล้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะแต่แต่ตก็แข่งขันกันถ้าแข่งตามแต่ก็ลนต้องปรับลูกเอกหน้าเอแปะหน้าเอแปะหลังเตะหน้าเตะข้างหน้าถ้าตกลูกระบาดถ้าหลังซ่อนหลังแปะหลังถ้าตก รู้ห้าเจตังกรรมการก็เขียนไว้เขียนได้ใครทายไม่ตกก็ปรับไปปรับไปถึงเวลาหยุดก็ก็รวมเงินกันไปซื้อเหล้ามากินเหี๋วพคนคดุมเสมัยก่อนไล่เหมือนตะก้อทุกวันเลยนะจะปักตะก้อทุกวันเขาทําให้ตกทําให้ตกได้เขาชนะแต่ก่อนไม่ให้ตกเลยแจะตะก้อไม่ตกลเลยก็เสียเงินแล้วก็ซื้อเหล้ามากิน ก, ก็เขาจะเทรถปากเขาเข้ม่เขียน ไอ้ตัวเมียเอ้ยมึงเนี่ยกินเหล้า <c oughs> นี่เขาบัญญัติว่าสุขของเขาฉันเราไม่กินเหล้เาเขาว่าทุกขของเรามึงโง่เละเป็นจยางนั้นก็เนี่นะบัญญัติถ้าไปหัาทานกันถือสัตางควุฒเข้าฟันเข้าฆ่ากันตายร่ำตายไปก็ไม่กลัวถ้าบันเดือดว่าทุกของเขาก็ทําลงไปได้บัญญัติเชือกมาแขวนค อ, อได้บัญญัติเอาปืนมายิงตัวตายบัญญัติกินยาตายบัญญัติ เอาไฟฟ้ามาชัดตัวเราตาบัญญัติอะไรต่างๆแล้วแต่บัญญัติเนี่ยมันเป็นต้นโลกทีเดียวเราพวกเยนมาลือถอนตัวเนดบัญญัติเนี่ยไม่ไม่ใช่บัญญัติเนี่ยมันก่อนไม่ใช่ไปเห็นเข้าริงๆไม่ใช่สุขก่อนสุขทุกข์กอนทุกข์เจ็บกอนเจ็บไม่ใช่อย่างนันบัญญัติปรมัตดจัดจะควะมทุกข์มันเป็นสมมติบัญญัติความไม่ทุกข์เป็นประมัดจัดจักระ หรือเราใช้มีดมีดในสําหรับฟันไม้ฐานป่าสร้างบ้านสร้างเรือนอันนั้นถูกต้องตามบัญญัติสร้างมีดขึ้นมาเพื่อไปสร้างบ้านสร้างเรือนแต่สมมุติบัญญัติเอามีดไปฆ่ากันตัดขอกันแล้วผิดใช่ปรามาจารย์เป็นผิดเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเยอะแย่ไปเลยเดือดร้อนตัวเราเดือดร้อนคนอื่นพอเห็นปรามาจารย์บัญญัติสมมติบัญญัติปรามาจารย์สัจจะ สมมุติวันหยุดลือถอนตัวเห็นสินเห็นสมาธิเห็นปัญญาสินเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงเราสัมผัสโอเรามีสินมานานเราไม่รู้เพราะเรามีสินมาโอเราอยู่กับสินมานานไม้มไม่ถามใครไหมสินะไม่ถามหลวงพ่อเทียนผมมีสีนแล้วหรือยังผมมีสมาธิหรือยังผมมีปัญญาหรือยัง ไม่มีคำถามแบบนี้โอ้เรามีสินแล้วมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้ปรบัตเนี่ยไม่ใช่ไปขอแล้วก็ปกติอยู่นี่กายก็ไม่ทำบาปทำชั่วอะไรใจก็ไม่ทำบาปทำชั่วอะไรแม้แต่คิดทําก็ไม่กล้าคิดโอ้เราก็มีสินสินคือเจตนาสินนี่คือหนักแน่นสินมาจากคาว่าชิลาชิลาคืออะไรคือก้อนหินไม่หวั่นไหว ลมพัดก็อหินก็นยืนอยู่นั่งอยู่ให้เหมือนเข้าเลียบไมเหมือนนุ่นโอ้เราไม่หวั่นไหวมานานโอ้ฉินไมปไปอย่างนี้เนาะชิลาคนคืก็เห็นหนักแท้ใ น, ในการกระทำทำอะไรไปเป็นจำวันที่ตั้งใจล่างถ้วยก็ตั้งใจกวดบ้านก็ตั้งใจอาชักผ้าก็ตั้งใจอะไรก็ตามปลูกว่าก็ตั้งใจ เคยสอนคนปลูกก็น้อยประครับประคองเหมือนเราลูกอ่อนลงใส่อู่ใส่เปลเวลาเอาถุงเอาต้นไม้ออกจากถุงประครับประคองสองมือเหมือนเอ า, เ อ, า อ, อกต้นไม้ลงหลุมเหมือนเอาลูกอ่อนลงใส่เปลนอนค่อยๆตัวน่รู้ว่าสมาธิทํำอะไรก็เป็นมั่นใจมั่นใจมั่นใจมาจสองจิตสองใจอ่านหนังสือก่อ่านหนังสือ ไมัยสอบอทมชันเอกนะอ่านภาจิต ด, ดูซิทดลงดูซิสองเที่ยวจําได้ไหมสามบรรทัดภาจิตของทรรมเอกก็ต้องให้สามบรรทัดเช่นว่ามโนปุพังขมาธรรมานี่แถวหนึ่งมโนเสตเถามารวายานี่แถวหนึ่งทำได้หลายมีใจเป็นใจมีใจเป็นหน้าว่าสองโลกให้ได้มันมีสมาธินลย ถ้าทําอะไรที่มันมีสมาธิดีมันดีหลายอย่างนะอะไรก็งามทําอะไรก็งามเรียบร้อยกลานหลองตา ก, ก็ไปพระทํางานเอ้ายกอิดบกตรงนี้ออกย้ายไปพระก็ไปวางที่อื่แต่กะ็ไม่ถูกต้องวางใหม่เอาอิดบ็กตรงนี้ไปวางที่ไหนพระวางโลกไปยกอิดบกไปวางไว้ที่อื่นก็โลกที่อื่นดีาวางดีกว่านั้นไหมไม่เป็น เพราะอะไรเพราะไม่มีสมาธิในการทำงานก็เลยบอกว่าไปวางตรงนั้นลองดูสิให้เป็นขั้นก้อนหินไว้วล่เราเราปวดมันจะไม่หินที่เรามาปูนี่มันจะไม่กระเด็นเด า, ายกออกก็ก็วางไปวางเป็นแถวกั้นหินไว้สวยงามทำไรบันดีถ้ามีสมาธิไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาไปทำงาน ห้องครัวก็สะอาดที่นอนก็สะอาดเรียบร้อยเสื้อผ้าก็สะอาดศินมันไปอยู่ในบ้านในครัวในที่ทำงานโต๊ะ เ, เก้าอี้ของอยู่ของกินสะอาดเรียบร้อยโอ้เราไม่สินเนอะสินต้องไม่ใช่ไปรักษากายวาจาเรียบร้อยชื่อว่าสินออกมาเรียบร้อยห ล, หลายๆอย่างสินเออไปรู้สินรู้สมาธิรู้ปัญญาศินกำจัดกิเลสได้จริงๆอะ อาแบบไหนหรือว่าสินจิกขาก็มาลูสิน่ะโอ้ยเยอะเลยดงแห่งปัญญาเลยทีเดียวมาศึกษาดงที่รูปที่นามนี้มันมีอยู่ทุกคนที่มาขอกับพระหรือสินนะใ่นั้นเป็นชินสังคมบัญญัติเพื่อให้เรารักษาอยู่ด้วยกันอันลรเกลดไม่ได้เลยอันชินจิกขาที่มันเกิดจากการเจริญติตนี้มันลกิเล็ได้ นะมันละได้โอ้อาศัยฉนะ่ะสิเลยจุกติงเงียติผู้มีทรัพย์สมบัติก็เพราอฉินมีความสุขพอฉินสิเลยนะพอกรสัมบัติผู้มีทรัพย์สมบัติได้พอฉินสิเลยนี่พู้งงติยงียติผู้ไปนิพพานได้ก็พรอฉินโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาใจมันดีกว่าเก่าข้นภาวะเก่าขึ้นมาปรามาตัตดเห็นฉินเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นปรามาัดเห็นสมมติปัญญะลือถอน คล้ายกับว่าเข้าประตูทําไปเลยตอนนี้นะใจก็สูงขึ้นไปอย่างนี้นะไม่ใช่คิดหานะมันเห็นมันทำให้มีโอ้เหมือนเด็กน้องต่าพูแล้วถ้าเกรดเปนดีมันเข้ามหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ปถมตั้งแต่เริ่มต้นเรารู้มีไหมตัวลูกเราหลงไปไหม แล้วก็เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวลูกได้ไหมเปลี่ยนได้ก็เกรดตีไปเรื่อยไปให้ค่าเลยรไหมใช่มีตัวลูกไปหรือเปล่าศึกษาหรือเปล่าถลุงหรือเปล่าเพราะว่าสิกขานี่คือถลุงอย่อยเหมือนเขาถลงแล้วแล้วมันเป็นก้อนถินย่อยออกมามเป็นเหล็กเป็นเงินเป็นทองอันที่กาที่ใจเรานี้มันเป็นดุ้นเป็นก้อนหรือว่าลูกดำ พอมีสติเข้าไปมันหลงบรรยอยออกมาที่ว่าสิกขาสิกขาของภิกษุมีสามอย่างคือสินสมาธิปัญญาการรักษากายวาจาเรียบร้อยชื่อว่าศินการรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิรอบรอบรูในกองสัขารชื่อว่าปัญญา เ, าเราก็ตอบได้เรียนมาบั น, นี้ไม่ใช่อยู่ในตำรากระดาษมันอยู่ในเรานี่ เรามีจิตเนี่ยมันเป็นรักษากายวาจาใจไรการมีติสใจชี้รูน้นี้มันเป็นสมาธิไหมเคลื่อนไว้อยู่เนี่ยเป็นเป็นสมาธิไหมหรือเป็นนั่งหลับตาวันหลับตาเนี่ยมันรู้อะไรไหมนั่งหลับตาหลั ต, ตาแค่เป็นนั่งอยู่ในกติพุทธยานอยู่ใกล้ไกลหมู่ดงป่าไร่กล้ลหลินตาอยู่นี่การแต้มัน มันทะเลาะกับอะไรมาแกลแ ก, แกแกลกโล่งอยู่ว่าฟังเสียงอยากไม่เห็นตัวมันฟังแต่เสียงแล้วก็หันหน้าไปทางมันล้องอยู่ว่านั่งหันหน้าไปทางนั้นเสียงมันก็มีสองเสียงเสียงกาแตก็ล้องแกลกแกลกแกลกแล้วอีกเสียงก็เนี้ยก็ฟังมาฟังมาเอามันกาแตไลงูมากาแตมันออกลูกของงู เหามันไปทางนั่นก็ไล่อ่าก็กัดหางเลื่อยไปกัดต่ก็วิ่งกระหางงูเขาก็คืนมาฉกมันก็คืนมาเอาไปมากระต่ก็ไล่มาไล่มาเหมือนนกกังเฉนถ้าเห็นงูเขียวมามันก็สมัยนึ่งก็มีนกกังเฉนมาอยู่กับวยจากน้ําอ่ามันก็ไล่งูได้แต่แต่ไล่งูมาหาเราเราลืนตาเยูะอ่าแล้วก็มีกติ เตียงเอาแฝกมุ้งเอาเตียงไว้ตั้งไวน้นอนก็มันเลื่อมามันจะมาเข้าใต้เตียงเรานั่งอยู่งูเหา่าก็บอกมันว่ามันไม่รู้เราเราก็ไม่เคลื่อนไหวก็นั่งดูมันเลื่นตาแล้วไม่เลื่นตาเฉียนงูไหมเน้นโอ้กัดเราดิสมาธิเป็นนั่งหลับตาเหลือไม่ใชสมาธิแบบนั้นเลื่นตาอยู่อะงมอูมาเลื่อยมาเลื่อยมาเตียงก็ไม่ฉงนะก็ลเลย เออกล่องไม่ฉีดโยนไปไมันุกถูกหัวงูพอดีงูก็ตกใจตึงขึ้นมากระโจนคอขึ้นโซโล่กแผลผังผานเห็นเรานะเราก็เอาผ้ากีวรมาค่อยๆปิดหน้าไปเออโอ้โเอ้ยขอโทษเดอ้อเราอยาจะบอกเธอว่าเรานั่งอยู่นี้แต่มาตกใจน้องข อ, ข อ, ขอโทษขอโทษตอนนั้นกลัวมันจะผลอะไรก่อนว่าเอากีวร์มาปิดตาไปหน่อยนะ ได้ก็ปุ๊บลงก็วิ่งเข้าก็ไปเออไม่หลับตามันดีอย่างนี้ถ้าหลับตาเรางูเรื่อยมาเลยมานั่งต่เราใช้มันเรื่อยมามันจะตกก็ตกกัดตาเลยทีเดียวสมาธิไปใช้นั่งหลับตาไปทํางานปลูกต้นไม้ไปเขียนหนังสือเป็นหมอก็ไปทํางานไปเขียนไปเขียนบัญชีไปชิดจาสมาธิแน่วแนะสมาธิเป็นสําหรับใช้งานใช้การศีล ส, สวาธิปัญญานี่ไม่เป็นไปอย่างนี้นะ การปฏิบัติธรรมมาเห็นอุปทานขันธ์หน้านี่ยโชว์ที่สุดเลยโชว์ตลอดแบบอะไระไรไม่โชว์เท่ากับขันธ์หน้าเลยมันโชว์สุดท้ายเลยเราบาชนะตรงนี้กันการปฏิบัติธรรมมันมีสวดปีสุดปีสวดไปฮะอาจารยเราวาชมจีจอม้ามีเรียนดำข้อต่อกรรมครูคนเจ้าก็ทรงดแสดงสั่งสอน พะสาวโทั้งหลายก็ไปตามรูตามมาจนถึงพวกเราทุกคนนี้ยังมีอันเดียวกันอยู่สติอันเดียวคงรู้สึกตัวกับพู้เจ้าจะไหมาสองสาพันปีมาแล้วกับอยู่กับเราอันเดียวกันพระพุทธเจ้าก็เป็นสามัญชนคือขาสองแขนสองเป็นสุขเป็นทุกข์กรอดหนาวเหมือนกับกับเราแต่ว่ามเป็นสมมติเทพเป็นกษัตริย์ แต่ว่าเสมอกันด้วยสามัญลักษณะคือเหมือนกันเปล่าเพราะใช่วิเศษวิโสมาจากไหนเอาวันนี้ก็พูดให้บังเนาะ